เรื่องของธรรมะเป็นเรื่องจำเป็นสําหรับใจของบุคคลคนที่ขาดธรรมะใจที่ไม่มีธรรมะเป็นใจที่ตกโปกเป็นใจที่ลําบากธรรมะถึงเป็นอาหารของใจเหมือนอาหารของกาย กายยังมีอยู่ก็จำเป็นเรื่องอาหารต้องรับทางอยู่เรื่อยๆไม่อย่างนั้นร่างกายก็ไม่แข็งแรง <c oughs> เรื่องธรรมะมายังมีรูปร่างกายอยู่มีจ <c oughs> ิตใจอยู่ก็ต้องทีนี้ที่ใจร น, นาต้องศึกษาอบรมตัวไม่อย่างนั้นใจก็ชั่วใจก็เสียธรรมะจึงเป็นเรื่องจำเป็น สำหรับทุกคนที่เกิดมาในโลกคนที่เห็นธรรมะไม่เป็นเรื่องจำเป็นคือคนไม่มีสาระไม่มีแก่นสารในตัวเขาอยากทำอยากพูดอยากคิดอะไรก็ทำไปตามอำเภอใจของเขาแต่ทุกโทษที่เขาได้รับนั้นเขาก็ถือว่าเป็นมาจากที่อื่นอย่างอื่นไม่เกิดขึ้นจากการ ทำการผูกการคิดของตัวคนแบบนั้นแล้วบันจะชั่วจะเสียเลื่อยไฟเพราะไม่สำลักกายวายาจาใจของตัวผู้ที่มีธรรมะจะอยู่ป่าก็าตามอยู่บ้านก็าตามเป็นนักบวชกว็าตามฆราวาสก็าตามเป็นผู้ได้เปรียบเป็นผู้มีความสุขเป็นผู้ที่เห็น ตามเป็นจริงของสัจตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแนอนเพราะธรรมะเป็นแสงสว่างของชีวิตคนที่มีธรรมะคนที่มีแสงสว่างจะไปมาสถานที่ใดย่อมปลอดภัยไม่ค่อยจะโดนหลักโดนตอตกหลุมตกบ่อหรือมันะเหยียบสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัย ตาเห็นนี่พูดทีบำเพ็ญธรรมะทางใจก็เหมือนกันสิ่งใดที่ชั่วที่เสียคนที่มีธรรมะจะต้องรู้เว้นสิ่งที่ชั่วที่เสียต่างๆสิ่งใดที่ถูกต้องดีงามคนมีธรรมะจะต้องสะสมจะต้องกระทําชีวิตของคนมีธรรมะจึงเป็นชีวิตที่ปลอดภยัยเป็นชีวิตที่น่าชมเชย เป็นชีวิตอยู่ในความสุขเราทุกคนปรารถนาความสุขความสบายเรื่องของกายนั้นเราก็ยังมีการรักษาพยาบาลเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นหายุคหายามารักษาเพื่อ้กายมันหายแต่ถึงอย่างไรเรื่องของกายถ้ า, าคนมีธรรมจิงจังแล้ว กว็ทราบดีรักษาเวลานี้ <c oughs> หายไปคราวใหม่มันก็เกิดขึ้นเรื่องของโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นผลสุดกไปถึงจุดคือความตายเรื่องของกายทุกคนเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของใจนั้นมันตายไม่เป็นมันจึงก่อพบก่อชาติเหลื่อยมาใหได้รับความทุกข์ความลําบากความสุขความสบาย าการรมที่ตัวทำเอาไว้กรรมดีก็ยังผลให้เกิดความสุขความสบายกรรมชั่วก็ทำตัวให้ทุกข์ให้ลำบากอยากเห็นต่างๆเร่องของกรรมมันเป็นอยู่อย่างนั้นคนที่ยังไม่หลุพดพ้นเมื่อใดการทำกรรมนั้น <c oughs> ก็จะต้องมีอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดกรรมก็คือการกระทำโดยกายเรียกกา ย, ยกรรมการพูดโดยวาจาเรียกวชีกรรมการคิดโดยใจเรียกวโนกรรม <c oughs> กรรมเหล่านี้ <c oughs> เล่นเสียแต่หลับหมอกนั้นก็จะต้องมีการทำกรรมอยู่เรื่อยๆถ้าหากคนไห่มีธรรมะในใจทำอะไร ก็ไม่ทราบว่าผิดถูกชั่วดีให้ท่านจึงให้สแสวงหาธรรมะให้มีธรรมะคือมีสติมีปัญญาไปจำกายวาจาใจทั้งตัวจะทําจะพูดจะคิดให้มีสติและลึกรู้ว่าอันนี้ทําไปจะให้ผลเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอย่างไรปลาทั่วไปสรนลเสรนหรือนินทาเราทําไป <c oughs> ไม่ปราถนาผลแต่มันก็ได้รับอยู่ดีๆถ้าหากทำลงไปแล้วเพราะคนอื่นตัดอื่นจะมารับกรรมที่เราทำนั้นไม่มีทางแต่นั้นผู้มีปัญญามีสติจึงจะต้องรักษาละมันระวังการกระทขาของตนไม่ว่าทำทางกายพูดทางวาจาหรือคิดทางใจตรวจตาที่จะเลนา ด้วยสติด้วยปัญญาให้รอบคอบทีทัว่วว่ามันสมควรหรือไม่สมควรอย่างไร<ม>คนที่มีกิเลสปัญหามาหน้าชิฐิอยู่ในใจ <c oughs> ถึงไม่อยากเกิดตายไปแล้วไม่อยากเกิดมันก็เกิดยืเรื่อไปพมูลเหตุของมันยังมีเหมือนพืชผลต่างๆที่เรายังไม่ได้ทำให้มัน มันยังมียางของพืชยังติดอยู่เมื่อถึงฤ ด, ดูการฝนตกลงมาพืดพันนั์นนั้นก็จะต้องตกดอกออกหน่ออีกต่อไปนี่เรื่องการเกิดการตายของพวกเราท่านเมื่อยังมีวิชากันหาอุปาทานกรรมอยู่เมื่ อ, อไรก็ทำลงนั้น ถึงไม่อยากเกิดอยากตายอีกมันก็เกิดกิดตายอยู่เรื่อยไปดังนั้นผููปฏิบัติอาจทำยิ่งจะต้องสอบสืบที่นิติเจนาดูใจของตัวว่ามันยังติดยังข้องยังยึดยังถือยังหลุ่มยังหลงอยู่หรื อ, รอที่มันติดมันข้องมันหลุ่มมันหลงมันยึดมันถือเพราะอะไรจะต้องตรวจาพิ่เจนา ดูแลรักษาเจนจิตของตัวทราบดีว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นเรียนเป็นภัย ท, ที่จะก่อพพก่อชาติเพราะได้กำจัดความหลุ่มหลงขล้ของใจเรียกว่าอริชาคือความรู้ผิดเห็นผิดนั้นได้ระงับดับไปตันหาความอยากขล้องใจอยากเกิดอยากตายอยากได้อยากมีต่างๆนานาแม้ แต่อยากจะไปพระนิพพานมันก็หมดมันก็สิ้นเพราะเหตุใดพอยังยอยากอยู่ก็คือยังไม่รู้ยังไม่เห็นถ้ามันอิม่มมันเห็นมันก็หมดอยากทราบอยู่ในจิตในใจของตัวไมนมีคนใดจะมาทราบให้เพราะการปฏิบัติของใจทราบ จากใจของตัวเองแต่ก่อนมันเคยติดเคยข้องเคยเสราเคยมองเคยยินดียิ น, ยนร้ายต่างๆระยะเวลาที่ปฏิบัติภาวนาชำระใจใจคอยปล่อยค่อยวางคอยละคอยถอนสิ่งต่างๆเบามาสบายมาเป็นลำดับลาดับจนที่สุดหมดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดปีมุดรู้เข้าใจ ที่สุดของธรรมคือไม่จิตไม่คว่างไม่ยึดไม่ถือทุกสิ่งทุกอย่างเห็นตามเป็นจริงในนี้อะไรที่จะมาทําให้จิตที่บริสุทธินั้นเศราหมองผ่องใสในนี้อะไรที่จะทําให้จิตนั้นสงสัยว่าพบชาติในอีกหรือไม่เข้าใจชัดเจนเห็นไปจาก ในการประพฤติปฏิบัติของตัวนี่คือการปฏิบัติใจคนเช่นนั้นถึงอยากเกิดอีกมันก็เกิดอีกไม่ได้เหมือนกันกับพืชพัน์ต่างๆที่เราต้มเรา <c oughs> ถึงให้สุกแล้วเผาให้ใหม่แล้วจะไปสููกปะวานสถ า, านที่ใดถึงดินน้ำสถ า, านที่นั้นจะสมบูรณ์เลยจุ๋ย ดินจะดีน้ำจะสมบูรณ์ขนาดไหนข้าวที่เราเนึ่งเราหุงสุกเอาแล้วไปหวานลงไปก็ไม่มีวันที่จะงอกขึ้นไดน้มีจิตใจขี่ละที่ถอนที่หมด อ, อริชาตัญหาอุปาทานก่อทรรนองนั้นสะาดดีในจิตในใจของท่าน กิเลสตัณหาหนาไหนจะมาหลอกลวงให้จิตให้ใจลุ่มหลงขุ่นมัวไม่มีในจิตที่บริสุทธ์นั้นทราบดีจากการประพฤติปฏิบัติแต่นั้นพวกเราท่านผู้ตังหาตังชาประพฤติปฏิบัติสิ่งยังมีดีนีชั่วมีรูนีหลงนีได้นีเสีย ก็จะสองที่นี้พิ่เจรณาดูแลรักษาเรื่องการการทาการพูดการคิดของตัวว่าการทาการพูดการคิดนี้มันเป็นไปเสื่อทางสมุทยัยคือการสะสมทุกสะสมกิตเรศหรือไม่หรือมันเป็นไปเถื่อมอละเถื่อถอนเรื่องความหุ่มหลงข้องใจต่อที่นี้พี่เจรินาให้ ของแท้เสียก่อนในจิตในใจทั้งตัวจึงทำจึงพูดจึงคิดในสิ่งเหล่ น, นั้นถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญารักษาตัวทำไปแล้วจะแก้ตัวภายหลังพูดไปแล้วจะแก้ตัวภายหลังแต่สิ่งที่ได้ผิดไปแล้วมันเสียไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ให้แต่นั้นท่านจึงให้รู้เสียก่อน ให้คอยใจเสียก่อนที่ใจนาทีถ่วงเสียก่อนจึงลงมือทําพูดถา้าไม่ขอยใจเสียก่อนมันจะเสียใจภายหลังเหมือน ก, นกันกับไฟที่ตกถูกเราแล้วไหม่แล้วแล้วเราตัดออกไปที่มันไหม่มันก็เก็บอยู่แล้วเป็นแผลอยู่แล้วเ ร, ร่อร้อนอยู่แล้วมให้มันไหม่เฉเลยอย่างดีว่าอันนี้มัน เป็นไฟแต่ต้องมืออะไรมันก็จะไม่จะเผาเล่นมันไม่จับไม่ต้องไม่ให้มันถูกคนเจนนั้นก็ไม่มีความเจ็บปวดมีการกระทำกรรมต่างๆก็ทำนองเดียวกันให้พิจันยนะเลยสติเดยปัญญาของตัวไม่อย่างนั้น <c oughs> มันก็จะ เกิดทุกเกิดโทษแก่กกตัวทําไมได้รับความทุกข์ความลำบากอย่างนี้ใครเล่าสร้างมาให้เราในใจตัวของเราเองหรือทุกสิ่งทุกอย่างทุกข์ก่อสาวว่ามันเป็นทุกข์แก่ก็อนไหยอมที่นีนนจ้จิตใจนะไม่ยอมละไม่ยอมถอนจริงๆมันเป็นทุกข์แก่จิตแก่ใจเข้าตัววุ่นวายก่อสาวว่ามันวุ่นวายแก่ จะทำให้ความสงบสุขสบายทำไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรมันจึงเป็นอย่างนั้นทาบแต่เรื่องวุ่นวายแต่ความสงบตรงกันข้ามไม่ทราบว่ามันอยู่ที่ไหนกอ่ใจ เ, เดนเนี่ยวนั่นแหละถ้ามันไปวุ่นวายความสงบมันคงไม่มีถ้า ห, ากหักเราหักห้ามแม้มันวุ่นวายเราจะนำธรรมะ มาบริกรรมกำหนดให้คิดให้ปึงให้สุ่งออกไปคือสิ่งต่างๆมัน <fan> ก <wh> ็สงบได้เมื่อมันสงบความวุ่นวายก่อกวนมันก็ขาดไปหมดไปความสุขความสบายของใจมันก็เกิดขึ้นนี่เป็นทุกเรื่องทุกคนนักปฏิบัติจะรู้แต่ที่นี้พิเจรณาจะรักษาไม่คช่ว่าคนอื่นจะมาทำให้การปฏิบัติ เป็นเรื่องสำคัญคือดูจิตใจของตัวเองใม่ไปดูที่อื่นความผิดถูกเชื่อดีมันเกิดขึ้นจากนี้เรื่องอื่นนั้นมันเป็นของภายนอกถึ่งบางทีก็ดีบางทีก็ชั่วแต่สิ่งเหล่านั้นถ้าเราไปไม่ไปชั่ว ตามเขาเราก็ไม่มีการเสียหายอะไรรักษาใจของตัวเท่านั้นใจของตัวไม่ชั่วใจของตัวดีใจของตัวมีสุขอยู่สถานที่ใดก็ปลอดภัยอยู่สถานที่ใดก็เยน็นก็สบายใจจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราทุกคนจะควรนำธรรมะมาแนะสอนมาฝึกมาอบรม ให้วุ่นวายเดือดร้อนนักปฏิบัติรักษาใจของตัวเองในได้เห็นความสุขความสบายในการปฏิบัตินั่นก็ไม่มีคุณค่าสาระอะไรอยู่ในวัดในว่าเป็นพระเป็นแเนก็สักแตว่ว่าวัดสักแต่ว่าพระสักแต่ว่าเนรไม่มีคุณค่าสาระ เพราะไม่มีธรรมะในใจถ้าคนจิตตัวใาที่จจรนาดูใจของตัวอยู่สม่ำเสมอมีธรรมะรักษามีธรรมะเป็นแสงสว่างนำทางเดินแล้วคนนั้นปลอดภัยมีความสุขความสบายไม่มีสถานที่ใดไม่มีใครไม่มีโลกไหนที่จะนำความสุขความสบายมาให้นอกจากเรา จะประพุติปฏิบัติเอาให้เข้าจิตเข้าใจตามเป็นจริงในงสิ่งต่างๆเราจรึงเป็นผู้มีโชคดีที่ได้มาบวชในพระพุทธาศาสนาโอกาสเวลานี้มากหากเราไล่ประมาทจะเดินจงกรมกลางวันกลางคืนสะดวกสบายในน้เวศ อ, อะไรมาวุ่นวายยุ่งเหยิง อารมณ์สัญญาที่เคยเป็นข้าศึกศัตรูในอดีตรหรือมันจะปรุงคิดไปในอนาคตอย่างนั้นอย่างนี้ให้ตัดมันออกเพราะเรื่องอดีตที่ผ่านมาดีชั่วยอย่างไรมันก็ผ่านมาแล้วอนาคตยังไม่ถึงมันก็เป็นเรื่องอนาคตแปัจจุบันมันเป็นอย่างไรมันติดข้องกับอารมณ์สัญญาอะไรตัวตาที่เจนา ดูใจของตัวใจมันชฉ่วกรีบแจกไขใจมันดีกรีบรักษาเอาไว้นี่คือผู้ประพฤฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่ว่าอยู่ในตามีโอกาสเวลาจะเดินจงกรมภาวนาละกิเลสแต่ก็อยู่ไปอย่างสัตตาไม่เคยนำธรรมะมาสอนกายสอนใจของตัว ความคิดที่ชั่วเคยคิดเคยปรุงอย่างไรก็ยิ่งคิดใหญ่ใส่สูงเรื่อยขึ้นไปเพราะนักบวชไม่มีการงานหน้าที่คมขีเรื่องของกายคือขบฉันนงหม่มอยู่สุกอยู่สบายไม่วุ่นวายกับการงานด่านอื่น เมื่อเป็นอย่างนั้นความคิดความปรุงของนักบวชที่ขาดธรรมะขาดสติปัญญาเลยทือว่าการงานด่านอื่นนั้นมันเลยยากอะไรไม่มีใครที่จะมีสติปัญญามีกำลังทางกายถือเราได้เราออกไปเป็นคาราวาจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อะไรก็รู้สึกว่ามันหายได้มันสะดวกสบายท้งนั้นมีือความหยู่อายุ ของกิเลสตันหาก็ควรจิตใจให้ปุงให้คิดจิตข้องในเรื่องของโลกผลที่สุดก็เลยอยู่ในวัดในวางในศาสนาในได้เพราะความคิดความปุงของตัวชั่วเสียข่าตัวเองเหมือนเมื่อยจกดอออกฝนแล้วก็จะต้องร้ายเมื่อยมันเป็นอย่างนั้นมีเรื่องกิเลสตันหาที่เกิดขึ้นกับจิตของเรา ก็ฆ่าจิตของเราฆ่าใจของเราฆ่าความสุขความเจริญของเราให้าาาาตายไปคนที่คิดแบบนั้นตึงแบบนั้นเป็นความคิดตึงที่ผิดไม่ใช่นะต่อพฤษปฏิบัติไม่ใช่สือเห็น ท, ทุกข์เห็นโทษของวัฏฏะสงสารผู้มาบวชจะต้องเห็นทุ ก, ทกข์เห็นโทษในวัฏฏะสงสาร เห็นโลกเป็นของว่างไม่มีใครจะเป็นเจ้าของยึดถือเอาไว้ได้ตามชอบใจโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้แต่ไห น, นจะ่ไรมาคนที่หลงฝ่ฝันมากเท่าไรก็ทำให้ย่งให้ฟงให้ปิดให้ข้องให้ทุกข์แก่เขาเท่านั้นทั้งทั้งสิ้โลกนั้น มันจะมีอย่างนั้นแต่มันเป็นเพราะความหลงของตัวความยึดของตัวความใส่ใจของตัวว่านั้นเป็นเรานั่นเป็นของของเรามีแต่ควนมดักวุ่นวี่วุ่นวายเผาอจิตเผลอใจอยู่ตลอดเวลาความดากทางศาสนาที่ว่าปัญหาคือมีความดากมากเท่าไรก็จะให้ทุกข์ให้โทษแก่ตัวแถานั้น แต่ความยากคนทุกความยากในเกิดในตายความดยากของพุทธปฏิบัติเกื่อวกการแก้ไขละถอนจิริกนี่ก็เป็นความดยากเหมือนกันแต่เป็นความดยากฝ่ายมาัธผันจ้ใหมี้ศรัทธาความเชื่อมัน่นในตัวเราในี้ ว, วาสนา เราละเราถอนในได้เราบำเพ็ญในได้ใน ม, มีใครในโลกเขาจะทําได้เราคนเดียวเท่านั้นจะรักษาศาสนารักษานักรักษาผลเอาไว้ในใจหน้าที่ของคนอื่นหน้าที่ของเราเท่านั้นอย่างไรเราเก็จะไม่ยอมเกิดยอมตายอีกต่อไปถึงจะ หยิ่นนิ้วทีมันสุขสบายขนาดไหนก็จะไม่ยอมอยู่ยอมเกิดยอมตายอยีกในโลกอันนี้ถึงจะทุกข์จะลําบากขนาดไหนก็จะต้องตั้งใจถ่าเพียรพยายามปฏิบัติเผื่อความผลทุกข์ให้ได้มีความเพียรอยู่ในกิจในใจตลอดเวลาเพียร ล, ละ เพียงบำเพนญสิ่งใดที่เป็นทุกเป็นโทษจิตเคยจิตเคยข้องเคยตึงเคยแต่งเราจะต้องพยายามหักห้ามจิตใจอันนั้นมาเหตุปุงเหตุจิตเหตจิตเหตุข้องจะเจรู้จะเข้าใจจะต้องมีสติจะสาวว่ามันเสื่อมันเสียจะต้องมีปัญญาพิจิติเจรณญามันในอย่างนั้น ยิ่งเละสิ่มันเคยเป็นเจ้าเป็นจอมของจิตของใจจะหลอกเลี้ยงเลื่อยไปว่าเวลานี้ร้อนมากทําไม่ได้ขอตอนเดึกเสียก่อนยังใครจะปฏิบัติหรือเวลานี้เย็นมากตอนอบอุ่นเซาะก่อนยัง่คยจะทำขํามมากหรือยัง วันอยู่มันคิดไปโยนไปเหื่องจะตัวพืชความดีมันผัดวันประกันพึ่งรอยไปถ้าหากเราไม่หักห้ามเรื่องใจที่มันคิดอย่างนั้นก็ใน่นี้โอกาสเวลาทั้งวันเดือนปียังคงขีดใครจะทำดีทำชั่วหน้าขีดของมันวันเดือนปี มันก็ไปตามหน้าที่ของมันและวันเดือนปีนี้ <c oughs> เราสมมติเขาเรายังไม่เกิดมันก็มีอย่างนี้เราตายไปมันก็ไม่หมดไปตามเรื่องของเราเรายังอยู่มันก็อยู่อย่างนี้เกิดมาอีกมันก็เป็นไปอย่างนี้วันเดือนปีไม่เดีไปทุกไปโทษไปสุขไปสบายกับใครแต่ใจที่หลุ่มที่หลงที่ผัดวันประกันชุ่ง ไม่ทำความดีให้นั่นแหละใจขี่นําทุกนําโทษมาให้แก่ตัวคือมันเคยชั่วเคยเสียเคยติดเคยคล่ออยู่ที่ไหนมันนําไปคิดไปปรุงอารมณสัญญาหล่วงมาไหา้ทราบว่าสี่เดือนสี่ปีมาแล้วมากกวยังนะํามาปรุงมาคิดทํำให้กําหนัดยินดีทำให้เพลเพลินทําให้หลุ่มหลงทําให้เศร้าหมองความคิด อย่างนี้มากเกิดมากมีนสำหรับผูบ้ปฏิบัติทุกทว่วหน้าจะต้องอาศัยสติจะต้องอาศัยปัญญาจะต้องอาศัยสัทธาความเพียรเป็นเครื่องบังคับมันเกิดขึ้นอย่างไรถ้ามีสติก็ ย, ยอมทราบว่ า, านี้มันปรุงมันคิดในทางผิดทางชั่วเรา มาประพัติปฏิบัติไม่ใช่มาคิดมาปรุงอย่างชั่วลี่ยงเสียอย่างนี้เราเองแถวนั้นจะทราบแต่หน่าละอายทั้งที่ว่าเป็นพระเป็นเนรเป็นนักประฏิบัติแต่ความคิดของจิตของใจมันต่ำทรามเสียหายเหมือนสัตว์เราจึงควรสอนจิตสอนใจของตัว ไม่เห็นมันคิดมันปรุงในเรื่องชั่วต่อไปข้าพียนพยายามหักห้ามความชั่วเอาไว้ที่ใจไปคิดไปปรุงเมื่อมันคิดมากปรุงมากอยากมากมันก่อพูดออกมาทางปากทำไปในทางกายเพราะใจเป็นต้นตอสำคัญที่ก่อให้เกิดทุกข์เกิดโทษ ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสัจชาความเชียนแล้วบวชตัหมื่นปีแสนปีความดีมันก็ไม่เกิดขึ้นความสงบสุขของใจไม่เคยเห็นเมื่อมันไม่มีความสงบความสุขของใจแล้วทั้งๆังที่เทพเป็นพระเป็นเนนเป็นนักปฏิบัติเราจะไปหาความสุข ความสบายที่ไหนความสงบที่ไหนอยู่เพียงคนเดียวกว่ารักษาตัวไห่ได้อยู่เพียงคนเดียวกว่าหาธรรมะมาหล่อเลี้ยงใจของตัวไม่อิ่มไม่พอแล้วอยากจะโดดออกไปทางนอกหาเผื่อนหาฝูงฮะทักหาพวกหาการหางานที่วุ่นวายก่อควร มีความสงบความสุขมาจากไหนแต่รักษาใจเพียงอย่างเดียวไม่มีการงานด้านอื่นมันก็ยังรักษาไม่ได้หนาที่นี่จะจะประพฤติปฏิบัติไม่มีการงานด้านอื่นมาเกี่ยวข้องบรบกวนขนาดนี้ยังไม่มีความสุขใน ม, มีความสงบไม่เห็น สมาี่ปัญญาอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อโดดออกไปเป็นอย่างไรแล้วมันจะมีความสุขความสบายไหมเห็นไหมคนที่เชื่อใจของตัวอยู่เป็นนักบวชไม่มีความสุขความสบายแต่เป็นฆราวาสเราจะสุขจะสบายเขาเป็นอย่างไรฆราวาสโดยส่วนใหญ่มาหาพระ เพราะความทุกข์ใจของเขาพูดขึ้นว่า oh, ทุกอย่างนั้นลำบากอย่างนี้เพราะใจมันทุกนนข์ใจมันไม่สุขใจมันไม่สบายใจมันไม่สงบไม่ลักนักเรามีหน้าที่ประเพื่อปฏิบัติต้องทำตัวของตัวให้สงบทำตัวของตัวให้ประสบความสุขความสบายจึงจะเป็นที่ พึ่งที่อาศัยของคนอื่นได้ถ้าตัวไม่สุขไม่สบายตัววุ่นวายเดือดร้อนคนอื่นมาพึ่งพาอาศัยพึ่งพาอาศัยไม่ได้เพราะพึ่งคนทุกข์พึ่งคนจนพึ่งคนไม่มีอากมีธรรมมันพึ่งไม่ได้พระพุทธเจา้าสรรพสมบูรณ์ทุกอย่าง คนที่ไปเกาะ อ, อาศัยี่มีความสุขกายสบายใจเพราะท่านช่วยได้สงสัยอะไรติดข้องอะไรควรแก้ไขยอย่างไรศึกษาท่านมีธรรมะที่จะแนะสอนใหนถึงเราเองไม่เคยสงบไม่เคยสุขไม่เคยสบายแล้วอยากจะไปแนะไปสอนคนอื่นอยากจะไปช่วยคนอื่น ผมเงือ น, นกันกับคนเจมเจมที่แต่เสื้อผ้าจะหนึ่งจะห่มก็ไม่มีแล้วอยากจะเอาของอันนี้เอาของอันนั้นไปแจกเขาทั้งตัวเองก็ไม่มีอะไรในตัวในตัวของตัวจะเอาอะไรไปให้เขาไปเสืให้เขาฟังว่าจะเอาอันนั้นมาให้เอันนี้นมาให้แต่ตัวเองจะอยู่จะกินจะหนึ่งจะห่มไม่มีเขาจะเชื่อหรือนี่เขาพูธใจจ่าถึงสบูรทุกอย่าง คืออาจารย์ที่นำศาสนาก็ทํานองเดียวกันท่านมีความสุขท่านมีความสงบท่านมีความสบายท่านมีสติมีปัญญามีวิชาวิมุติในจิตในใจของท่านท่านบริสุทธิ์สงบจึงเป็นผู้ที่อาศัยของคนอื่นได้แต่สงข้อสงหา คนอื่นเท่าไรก็ไม่มีทางที่จะบกท่องเสียหายเพราะทำเป็นเหลืองของนามไม่เหมือนลูกเอาให้เท่าไรก็ไม่มีการหมดการสิ้นไปส่วนวัตถุภายนอกให้เท่าไรก็หมดไปเท่านั้นส่วนเหลืองคองทำไม่หมดแตามันมีอยู่ในจิตในใจเราไม่หมด ทำของผูกประพฤติปฏิบัติทางศาสนาที่มีธรรมในใจเหมือนกันกับน้ำในบอ่อหมดไม่เป็นมีตาน้ำไหลออกมาตักออกเท่าไรก็ไหลมาเท่านั้นส่วนธรรมคือศึกษาเราเรียนมาจากสำหรับตำราเหมือนน้ำในตุ่มตักออกเท่าไรก็หมดไปเท่านั้นมีวันแห้งวันหมด ฉะนั้นพวกเราท่านผูกประพฤติปฏิบัติอาจทำส่วความสุขความเจริญของตัวอย่าประมาทเมือนเฉยเข้าใจว่าตัวอาภัพอาวาตนาะตัวไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะประพฤติปฏิบัติได้อย่าไปคิดอย่างนั้นมันไม่มีนั่นแหละหาให้มันมีขึ้น เราไปอิ่มยังรู้จักแสวงหาอาหารมารับทานให้มันอิ่มเราหนาวยังหาเสื้อผ้ามาหนุ่งมาหม่มให้มันอบอุ่นเราร้อนยังหาน้ามาอาบมาส่งแต่เราไม่มีอา น, นาจศาสนาไม่มีบุญบารมีทำไมไหนสร้างขึ้นไม่ทำขึ้นจะต้องสอนตัวอย่างนั้นเนี่ยตัวอย่างนั้นจะทำบำเพ็ญไป อย่าสนใจเรื่องอะไ ร, รยิ่งกว่าเรื่องการปฏิบัติชหระีิเลสเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้รับความส ง, งบสงัดได้รับความสุขในตัวของเราแล้วถึงสิ่งอื่นจะขาดแทนบกทร้องไม่สมบูรณ์ก่อตามแต่ถ้าจิตใจสมบูรณ์มันสุขมันสาบายไม่ต้องวุ่นวายวิ่งเต้น ทำรักษาผูกประพืชธรรมทำโมหาเวรคติธรรมจารีทำรักษาผูกประพืชธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วที่ชั่วที่เสียต่างๆจึ่งเป็นทางติดคนทั่วโลกไม่ปราถนาคนผูกประพฤติปฏิบัติอัดธรรมนั้นทำรักษาเอาไว้กายท่านไม่ทำจริงๆชั่ว วาจาจท่านไม่พูดจิตท่านไม่คิดหากห้ามรักษามีสติมีปัญญาอยู่ภายในรักษากายวาจาใจของตัวอยู่ตลอดนี่คือทำรักษาในกายวาจาะใจตกไปในทางสีชั่วเพราะสติทราบมันตรงมันคิดขึ้นจากจิตอันนี้ชั่วอันนี้เสียเราไม่คิด ไปป่ปรุงต่อไปการพูดการทำทางนอกนั่นก็พูดไม่ออกทำไม่ได้เพราะใจมันมีสติมันมีปัญญาแน่สอนเอาไว้ทำรักษาใจใจรักษาธรรมเป็นอย่างนั้นเมื่อเรามีธรรมประจําตัว ทำกลุ่มความรักษาไม่ไปสู่ที่ชั่วอย่างนั้นเราก็มีความสงบความสุขความสบายความสงบสุขภายในของเราซึ่งเราไม่ประกาศให้คนอื่นเขาทราบความลับมันก็ไม่มีในโลกคนที่มีสติ ป, ปัญญาย่อมทราบได้ไม่ต้องประกาศว่าฉันดีพิเศษอย่างนั้นอย่างนี้แต่พูดสแสวงหา ของดีผู้มีสติปัญญาเขาจะต้องรู้เหมือนกันกับมแมลงผึ่งแมลงผู่มันแสวงหาเจาสอนดอกไม้ดอกไม้มันอยู่ที่ไหนมันก็แสวงหาถึงแม่ดอกไม้นั้นจะอยู่ในป่าลึกขนาดไหนมันก็ทราบได้เพรอสัตว์ประเภทนั้นมันแสวงหาอยู่แล้วคนดีก็จะต้องแสวงหาของดีของดีอยู่ที่ไหนถึงจะไปแฉนไป ลำบากอยากเย็นขนาดไหนวัตส่องไปเพราะความอยากได้ความต่องการต้่องดีเทดทอยแระธาตุต่างๆอยู่ในดินลึกขนาดไหนเขายังขุดยังเจาะแสวงหาได้นี่ทมณคำสอนของพระพุทธเจ้ามันไม่มีในที่อื่นมีทีตายทีใจของเรากว่าเจาะแสวงหาเอาอะไรเป็นอะไรกันแน่นอน ที่จะรายนาให้ทีถ่วนผัถวถือมันจะทราบอย่างมีอะไรที่จะสงสัยทมโมสุจินโนสุขมามหาจิตทำสิบุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้มันสุขที่ไหนก็สุขที่ใจของท่านสุขอย่างไรใจที่เคยคิดเคยปรุงใคยอยุ่นเคยเกียวกับเรื่องต่างๆนานามันละมันถอน มันปล่อยมันวางไฟหมดมันจะมีสุขมีสบายอย่างไรกายต้องทันถึงก็ไม่ยึดมั่นถือมัน่นทราบเรื่องธานเรื่องขันแต่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามนาที่ข้อมันความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรก็ทราบอีกไม่ได้จิกข้องในรูปในใ น, านามความสุขของผูกกับพฤติธรรมท่าน ต, ต้องเห็นต้องเป็น ในจิตในใจของท่านไม่อย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นโมคะคนทั่วไปถ้าไม่มีความสุขความสบายข้องใจไม่ได้สัมผัสไม่ได้เห็นไม่ได้เป็นในตัวอย่างจริงจังแล้วความเชื่อมัน่นมันก็ค่อยๆหายไปหายไปพ้นที่สุดก็สู้ยิเเละรบกวนไม่ได้ นี่มันเป็นธรรมดาถ้าหากละหากถอนประพฤติปฏิบัติเข้าใจในอจในธรรมแล้วอะไรเล่าในโลกจะปเสรศวิเศษยิ่งกว่าการดับกิตเหลวของใจมันไม่มีอะไรในโลกที่จะน่าตื่นเต้นที่จะน่ายินดียิ่งกว่า การสำลับจิตใจของตัวให้บริสุทธิ์เพียงสงบเท่านั้นยิเลสยังมีอยู่แต่เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเดื่องข้องมันพยายามบังคับจิตด้วยสติด้วยปัญญาให้สงบมันก็ยังเห็นอันนิสงมัามีความสุขความสบายเมื่อละได้ถอนได้ตัดขาด จากเรื่องของกิเลสแล้วจะเป็นอย่างไรมันก็มีใจที่อยากจะ พ, พปฏิบัติให้หมดให้สิ้นไปเพราะกิเลสเป็นโรคเป็นภยนัยมีมากเท่าไรก็ทําจิตทําใจให้เกิดทุกข์เกิดโทษเท่านั้นความจริงจิตของเรามันหลุ่มหลงมันยุ่งเกี่ยวในใจเรื่องอันอื่นมันหลุ่มมันหลง แก่จงแก่ที่จิตของตัวไม่ต้องไปแก่ที่อื่นพิจารณาจิตของตัวให้ทราบให้คอยใจในสิ่งต่างๆตามเป็นจริงของมันก็ได้ชื่อว่าการละกิเลสคือเห็นตามเป็นจริงในสิ่งต่างๆแต่ความจริงของมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเห็นตามเป็นจริงความหลุมหลงยึดถือนันก่อ ถอถอนออกไปเองเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีทางสงสัยถ้าไม่เห็นตามเป็นจริงมันก็สงสัยเหมือนเราปิดอะไรไว้เอ๊ะในนี้มันมีอะไรกันแน่พอเปิดดูตรวจตาพิจารณาทีทวนไม่มีอะไรแล้วถึงปิดไปอีกมันก็ไม่สงสัยอันนั้นไม่มีอะไรปิดเอาไว้เฉยๆมันก็ทราบ นี่จิตใจทองพวกเราท่านที่ลุ่มหลงเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ต่างๆนานายึดถือว่าตนว่าคล้องคล้ตนต่างๆก็คือจิตใจยังประพฤติปฏิบัติไม่เข้าถึงความจริงของมันถ้าเขาถึงความจริงของมันทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันประกาศตัวอยู่แล้วแต่ความจริงของมันเป็นอย่างไรไม่มีอะไรที่จะไปปกปิด กำบังนอกจากขีดของตัวที่หลุมหลงเงาของตัวเท่านั้นเงา ม, มันไปจากที่ไหนมันไปจากตัวนั่นเองไปจากที่อื่นถ้าไม่มีวัตถุมันก็ไม่มีเงามีความยึดเขายึดเราก็ํานองเดียวกันมันมีความหลุ่มความหลงอยู่ในมันมันจึงยึด ฤทธิ์นิติเจรินาหทิ์แก้ไข <c oughs> ตามสติตามปัญญาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเรียกว่าวิปัสสนาท่าน <c oughs> สอนไว้ําหรักตำรากมีมันจากขันธารูปขันโทท่านไหนพิจารณาเรื่องของขาดท้องขัน ธาตุขันมันอยู่ที่ไหนธาตุสี่ก็คือดินน้ำลมไฟธาตุหกก็คือเติมอากาศวิญญาณเข้าไปในกายอันนี้ <c oughs> ขันกับขันห้าหลูกเวทนาสัญญาสังขนนานวิญญาณมันมีอยู่ที่ไหนที่เวทนาอันนี้ให้เห็นตามเป็นจริงของมันศัตมันอยู่ที่ไหนบุคคลมีอยู่ที่ไหนสมมติมันทับดิมุด มันจึงไม่เกิดวิมุกไม่เห็นตามเป็นจริงให้เราจะต้องลบล้างเลื่องสมมติเลื่อยไปที้เจนาให้ข้าใจตามเป็นจริงความถอดถอนที่ยึดถือไว้มันจะหมดไปเพราะมันข้าใจมันเป็นจริงมันไปจับนี่คือการปฏิบัติการำํำระใจของตัวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติได้ อย่าไปประมาทตายใจหรือไปเหมาโอ้อาเราอาภัพอวาวัสนาใน่มีโอกาสเวลาแต่คิดปรุงอันอื่นทําอันอื่นวันคืนที่ผ่านมาเราไม่มีวาสนามันก็ตายไปแล้วเรายังมีวาสนาอยู่คิดอันอื่นปรุงอันอื่นเรายังคิดได้การจะสําระสาสางใจเราจะอาภัพวัฒาสนามาจากที่ไหน แต่ต้องพี่เจรานาสอนใจของตัวประกอบความผาดความเพียน <c oughs> ที่นี่พี่เจรานาให้รู้ตามเป็นจริงของมันจิตของเราว่าจากกิเลสตัณหาโลกมันก็ว่างจิตของเราไม่ยึดไม่ถือมันก็ไม่หนักถี่มันหนักมันยึดมันถือมันแบกมันหาม หัใจว่าต้นว่าขอนขอนต้นหัใจว่าควนว่าสักว่าเขาว่าร่าต่างสัตทางอภิธรรมสันติสอนให้แยกให้แยกให้พิจารณาเรื่องธานเรื่องขันพิจารณากายพิจารณาใจของตัวมาทราบตัวของตัวถึงทุกอย่างแล้ว โลกอันนี้อดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีมันเหมือนกันหมดไม่หลงตัวของตัวแถานั้นก็ไม่หลงโลกทราบตัวของตัวตามเป็นจริงกรทสาบสิ่งทั่วไปตามเป็นจริงได้พยายามทำพยายามฝึกพยายามปฏิบัติอย่าไปโยนความดีไปข้างหน้า ชานั้นก่อนชาตินี้ก่อนวันนั้นก่อนเดือนนี้ก่อนจะไปคิดได้แบบนั้นพยายามกำหนดที่นี้ที่เจนาสั่งสำละใจอยู่เรื่อยๆใจมันคอยตกออกไปจากความจิดความข่องสะอาดผ่องใสบริสุทธิ์นี่คือการสะพฤ้นปฏิบัติมูติตางนาสะพฤ้นปฏิบัติอย่างนี้ โอกาสเวลาที่จะประสบพบเห็นความบริสุทธินั้นมีด้วยกันทุกคนถ้าหากไม่พี่นี่พี่เจนะไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนนักบวชหรือคา้วะเหมือนกันหมดไม่ทานแล้วจะบ่นวันอยาคํำอยางอิม่มไม่มีทางไม่ไปแล้วจะบ่น ตลอดวันตายมันก็ไม่ถึงถแต่เราทานมันก็มีวันอื่นไปมันก็มีวันถึงมีการขอพืชปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์ของใจขอทำนองเดียวกันจงพากัน น, นําไปพิจารณาศึกษาต่างหน้าต่างตาปฏิบัติความสงบสุขก็ไม่มีใครคนอื่นเขาจะหามาให้